BOOK two. 2ห้าคประเทศและภาษาเควกอบเคเนีตาบจอนมาจากลอนดอนจอนีลอนดอนีดานะ จอลอนดอนิตันอาริสลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษลอนดอนิมเดบารีอบสิดบรตนชลอนดอนิมเดบารีอบสิดบรตนชเขาพูดภาษาอังกฤษอิสอักสุรลาปารากอสอิสอักสุรลาปารากอส มาเรียมาจากมดริดมาเรียมดริดิดาน่มาเรียมดิดิดาอาริสมดริดอยู่ในประเทศสเปนมาดริดิเดาเอสเปเนตมาดเเอธอพูดภาษาสเปนออล ออสปัลปรากสปีเตอร์และมา่ามาจากเบอร์ลินเบอร์มาลินตอริยดมาลินิอาเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันเบอร์ลินิมเดบาริอสเกรมานาชีเบอร์ลินิม มเธ b a r e อุบส์เกิมาชคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมทอริวรูลาลาปารกอตทวเอนออริเวเกูลาดลกอปตลอนดอนเป็นเมืองหลวงลอนดอนิเดดาคาลาคิอาลอนดอนิเดดาคาลาคิย มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงมาดริดีดาเบอร์ลินิตสเดดาคาลาเคเบียริอนมาดริดีดาเบอร์ลินิตสเดดาคาลาเคเบียเมืองหลวงใหญ่และเสียงดังเดดาคาลาเคบีดดีดามาอูรินียเดดาคาลาเคบีดดีดามาอูริยันนีย ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปออยุโรปประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแ อ, อ, อฟริก า, ก ป, รกาประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย ญี่ปอน尼亚อาเซียเชี ย, ย, ป, ชยประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคานาดาชดิโลย์ตอเมริกาเชียประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง อันมาเซ็นทรัลรอเมริกาันมาเซ็นทรัลอเมริกาประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บรัซิเลียสัมเรอเมริกา西บริลียซัมเรดอเมริกาียกรุนาไปที่